โยกข้างหลังมาจากไหนอ๋อวัดจารย์จันดีนอกจากทีมวัดอัมพวันแล ม, ม, มีใครไม่เคยมั้ยใครไม่เคยมาไม่มีนักเก่าๆนันก็เลยหัดพุทโธหัดหายใจรึเปล่าหัดแบบไหนวัดอัมพวันอะหัดพุทโธเนาะหรือทำอนาปนาสติด้วย หลวงพ่อเริ่มต้นกต้องหัดพุทโธหัดหายใจนะหลวงพ่อเรียนเบื้องต้นเลยเรียนจากท่านพ่อหลีวัดอโศการามเมื่อปีศูนย์สองเสร็จแล้วก็ฝึกลมหายใจอยู่22ปีฝึกทำสมถะ22ปีขึ้นมีปััสนาไม่เป็นนะได้แต่ทำความสงบสงบไปวันนี้สงบพรุ่งนี้ฟุ้งซ่านวนเวียนอยู่อย่างนี้ เดี๋ยวสงบเดี๋ยวฟุ้งเดี๋ยวสงบเดียวฟุ้งสงบแล้วก็เที่ยวออกข้างนอกรู้เห็นอะไรต่ออะไร ไ, ไม่รู้ทางที่จะไปต่อจนลายนะุยี่สบนะปีสองห้า่ไม่เจอหลวงปู่ดูลหลวงปู่ดูลท่านสอนให้ดูจิตตัวเองนี่มันถูกกัจริตรถูกกัจริตใเยมหาดูจิตดูใจในการ ปฏิบัติก็ง่ายขึ้นง่ายขึ้นทีแรกก็ยากใหม่ๆก็รู้สึกยากหาจิตไม่เจอแต่าตามรู้ตามดูค่อยรู้ค่อยสังเกตเรื่อยๆไปนะในที่สุดเราก็เจอจิตแล้เรามีจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูได้อนนี้ไปหาครูบาอาจารย์องค์ไหนองค์ไหนนะท่านก็ไม่ว่าอะไรละท่านว่าใช้ได้ละภาวนาจนมาเข้ามาถึงจิตถึงใจให้ได้จริงๆก็เข้าถึงธรรมะได้ ฝึกตอนเป็นคารวาสนะเป็นคารวาสเหมือนพวกเรานี้แหละไม่ใช่เรื่องเหลือวิสัยนะธรรมะไม่ใช่ของพระเป็นคารวาสก็ทําได้ถ้าทําถูกนะถ้าทําไม่ถูกก็ทําไม่ได้ทั้งพระทั้งโยมทําไม่ถูกก็ไม่ได้เหมือนกันนั่นแหละธรรมะไม่มีพระไม่มีโยมดอกธรรมะเป็นของกลางๆไม่มีของผู้หญิงผู้ชายอะไรดอกครูบาอาจารย์ผู้หลักผู้ใหญ่หลวพ่อไปเรียนด้วยหลายองค์ หลวงปู่ดูหลวงปู่เทศหลวงปู่สิมอะไรนะนี่รุ่นโตๆอจามาหาบัวก็เคยเรียนกับท่านเหมือนกันแต่น้อยหน่อยสมัยเข้าวัดนะท่านยังเป็นพระหนุ่มๆนะือท่านอายุยังไม่เยอะอายุห้าสิบกว่าทำไมน ốt ห้าสิบกว่าถือว่าเป็นพระหนุ่มๆครูบาอาจารย์ทุกองค์จะสอนเหมือนๆกันให้มีสตินะมีสติสําคัญมาก มีสติรู้กายรู้ใจลงเป็นปัจจุบันการปฏิบัติเนี่ยอย่าให้เกินกายเกินใจออกไปให้มาเรียนรู้กายเรียนรู้ใจตัวเองมากเข้ามากเข้านะให้เห็นความจริงของกายของใจให้ได้ไม่ใช่ทำแค่ความสงบนะทำแค่ความสงบก็ได้แต่ความสงบไม่เกิดปัญญาเราทำความสงบเนี่ยเพื่อให้ใจมีกำลังได้พักผ่อนจิตใจตั้งมั่นมีกำลังพอจิตใจเรามีกำลังแล้วเนี่ย ให้ออกมารู้กายออกมารู้ใจตัวเองให้ได้กายกับใจนี่แหละเป็นสนามรบของนักปฏิบัติเบื้องต้นเลยพอใจเราสงบแล้วนะเอาถอยออกจากความสงบนะี้ให้รู้ลงไปที่กายนี้ตั้งแต่ผมเลยตั้งแต่ผมจนถึงพื้นเท้านะไล่ขึ้นไล่ลงอยู่ในกายนี้แหละดูให้เห็นเป็นปฏิกูลเป็นอสุภะนี่พอรู้กายรู้กายไปแล้วระวังอันหนึ่งใจชอบถล่ อย่างเบอร์สิบเนี่ยเบอร์กําใจกำลังถลําลงไปแล้วนะใจมันเลื่อนไปเคลื่อนไปใจไม่ตั้งมั่นใจเคลื่อนลงไปใจต้องตั้งมั่นนะต้องมีกำลังตั้งมั่นทรงตัวเด่นเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่ไม่ใช่ผู้ถลําลงไปไม่ใช่ถลําลงไปในกายถลําลงไปในใจให้ใจของเราเป็นแค่คนดูดูกายดูใจอย่างใจเราเกิดความงงความสงสัยขึ้นมาอย่างนี้ ขณะนี้ความสงสัยเกิดขึ้นก็ให้รู้ทันว่ากําลังสงสัยอยู่หัดอย่างนี้นะส่วนร่างกายเราก็พิจารณาไปเป็นปฏิกูลเป็นอาสุพะเป็นธาตุเป็นขันเป็นความว่างเปล่าจากความเป็นตัวตนดังนั้นคิดพิจารณาหมดเวลาพุโทโธพิจารณากายแล้วนะเวลาที่เหลือเนี่ยตัวเนี้ตัวสําคัญที่สุดเลยต้องมีสติในชีวิตประจําวันให้ได้คําสอนของครูบาอาจารย์วัดป่ามีทั้งหมด3ขั้นตอนต้องทําให้ได้นะ ขั้นตอนแรกเลยให้พุโทโธให้กาหนดลมหายใจแล้วแต่ความสะดวกความถนัดพุโทโธไปทำลมหายใจไปจนใจเราสงบใจเราสงบแล้วอย่าขี้เกียจขี้คลานนะให้ใจออกมาทำงานเอาใจออกมาทำงานคือมาพิจารณาร่างกายนี้ไม่งั้นใจจะติดแต่ความสุขความสงบเฉยเฉยอยู่เฉยงโง่โๆนะอย่างนั้นเป็นสมาธิงโง่งั้นสงบแล้วต้องออกมาพิจารณาร่างกาย ให้ใจทำงานหมดเวลาพุทธโธพิจารณากายแล้วเนี่ยต้องทำขั้นตอนที่สามคือการเจริญสติในชีวิตประจำวันขั้นตอนนี้ละเลยไม่ได้เด็ดขาดนะขั้นตอนนี้สำคัญที่สุดเลยหัวใจกรรมฐานอยู่ที่การมีสติในชีวิตประจาวันหลวงปู่ใหญ่หลวงปู่มั่นอสอนหลวงพ่อไม่ทันท่านนะคูบาาจารย์บอกต่อมาหลวงปู่มั่นสอนไว้บอกว่า ทำความสงบมากเนิ่นช้าเนี่ยทำความสงบมากจะเนิ่นช้านะเอาแต่สงบลูกเดียวไปไหนไม่รอดหรอกกี่พบกี่ชาติก็ช้าอยู่นั่นแหละคิดพิจารณามากฟุ้งซ่า น, นดูกายพิจารณากายอย่างเดียวเนี่ยฟุ้งซ่านนั้นพิจารณาไปพอสมควรแล้วก็ทําความสงบเข้ามาสลับไปสลับมาบอกว่าทําความสงบมากเนิ่นช้าคิดพิจารณามากฟุ้งซ่านหัวใจของการปฏิบัติคือการมีสติในชีวิตประจําวัน หัวใจอยู่ที่นี่นะหัวใจอยู่ที่มีสติในชีวิตประจำวันนีต้องมีสติมีสติร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึกให้ดูกายให้ดูใจไปอัจัร์มหาบัวเคยสอนหลวงพ่อการปฏิบัติไม่มีอะไรมากหรอกว่างนี้มีสติรู้กายรู้ใจลงเป็นปัจจุบันไม่ใช่นั่งเคลิ้มลูกเดียวนะเคลิ้มลูกเดียวก็ชาติหน้าก็ไปเคลิมอีกนะมันไม่มีปัญญานะ สมาธไม่ได้ทำให้เกิดปัญญานะต้องมามีสติรู้กายรู้ใจลงไปซักฟอกลงมาในกายในใจนี้จนมันคลายความยึดถือกายยึดถือใจได้มันหมดความยึดถือกายยึดถือใจได้เมื่อไหร่ก็เป็นพระอรหันต์เมื่อนั้นแหละเบื้องต้นมันจะเห็นกายเห็นใจเป็นของไม่เที่ยงก่อนนะเป็นทุกข์เป็นอนัตตาก่อนไม่ใช่ตัวเราพอเห็นว่ากายกับใจไม่ใช่เราได้พระโสดาบันนะ แต่มาหมดความยึดถือในร่างกายนี้จะได้ผ้านาคามีสุดท้ายจะหมดความยึดถือจิตผู้รู้อนั้นถึงจะจบจิตทางศาสนาพุทธเราั้นเราต้องมาเรียนรู้กายเรียนรู้ใจนะจนเห็นความจริงของเขากายกับใจไม่ใช่ตัวเรานีไ่ได้ขั้นที่หนึ่งละเอาตัวรอดได้ละเป็นพระโสดาบันแล้วก็มาดูกายของเราต่อไปเรื่อยๆนะร่างกายเคลื่อนไหวคอรู้สึก จะกินจะเดินนะจะนั่งจะนอนจะขับถ่านยะคอยรู้สึกไปจะอาบน้ําอาบผ้าคอยรู้สึกไปร่างกายนี้มันเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุเป็นอะไรอย่างหนึ่งที่มันเคลื่อนไหวได้ไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นของที่จิตไปรู้ไปดูเป็นข้าวนี่ต้องดูอย่างนี้นะจะยืนจะเดินจะนั่งจะนอนก็เห็นร่างกายยืนเดินนั่งนอนมันเป็นแค่ของถูกรู้ถูกดูใจของเราอยู่ต่างหากใจของเราต้องเป็นผู้รู้ผู้ดูเป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นหมด ใจเราเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานนะไม่ใช่ผู้ซึมซึมผู้เพ่งเพ่งผู้เผลอเผอผู้คิดคิดเอานะใช้ไม่ได้หรอกใจต้องตื่นขึ้นมาให้ได้ใจอย่าหลงอย่าไหลาไปตามอารมณ์นะอย่างเบอร์19จิตติดการที่จะน้อมใจให้ไหลไหลไปนะจะน้อมให้นุ่มๆอ่ะจะไปน้อมให้มันผิดธรรมดายังไปแกล้งให้มันนุ่มๆให้รู้อย่างที่มันเป็นมันนุ่มก็รู้นะมันแข็งก็รู้มันเป็นยังไงก็รู้ลงไปตามธรรมดาของมันนะั่นแหละ ใจแอบไปคิดละรู้สึกไหมใจขยับแฟ บ, บไปให้รู้ทันอย่างนี้นะถ้ารู้ไม่ทันไม่ได้กินหรอกนะไม่ได้กินหรอกกิเลยเราไปกินหมดเลยเพราะเวลาเผลอเมื่อไหร่กินเลยเราไปกินแม่นั้นแหละ<ม>รู้สึกไหมใจตอนนี้ไม่เหมือนแต่กี้ละเมอร์สิบเกรู้สึกไหมนี่อะไรที่เรียกว่าใจที่เป็นผู้ตื่นขึ้นมาเนี่ยเป็นผู้คิดอีกแล้วเห็นไหมไม่ใช่ผู้รู้แกเป็นผู้คิด ไม่ต้องเข้าไปหามันนะไม่ต้องตั้งท่าปฏิบัตนะิร่างกายเป็นยังไง ร, รู้เข้าไปเลยจิตใจเป็นยังไง ร, รู้เข้าไปเลยไม่ต้องไปตั้งท่าขึ้นมานะรู้ไปสบายๆง่ายที่สุดเลยนะง่ายที่สุดเลยหนูพ่อเรียนอยูไ่ไม่กี่เดือนก็เข้าใจแล้วคอรู้สึกอยู่ที่กายนะร่างกายเคลื่อนไหวอย่าเผลอเลยอย่าลืมตัวเองเอาแต่หลงไปคิดเอาคิดเอาคิดเอาวันหนึ่งวันหนึง่งเอาแต่คิดเอาคิดเอานะลืมตัวเอง หรือลืมจิตใจจิตใจของเราดีก็ไม่รู้ชั่วก็ไม่รู้โลภโกรดหลงก็ไม่รู้เนี่ยใช้ไม่ได้ถ้าจิตใจมันเป็นสุขก็ต้องให้รู้นะเป็นทุกข์ก็ค่อยรู้ไปมันโลภมันโกรธมันหลงก็ค่อยรู้มันไปเรื่อยๆอันนี้ถึงจะเรียกว่าเจริญปัญญานะร่างกายเคลื่อนไหวก็คอยรู้สึกไปเห็นร่างกายเคลื่อนไหวใจเราเป็นคนดูร่างกายเป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุเป็นสิ่งที่จิตไปรู้ไปดูเข้าไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริง ดูกายก็ดูอย่างนี้นะดูให้เห็นเลยไม่ใช่ตัวเราหรอกเป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุมีธาตุไหลเข้าไหลออกหายใจเข้าหายใจออกนะกินอาหารแล้วก็ขับถ่ายนะดูกายเป็นก้อนธาตุดูจิตใจก็ดูแต่ว่ามันไม่เที่ยงเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายบังคับก็ไม่ได้นะเป็นอนัตตาดูลงไปเบอร์19บเ้หนีไปคิดแล้วเบอร์19ถอยขึ้นมาสลับลงไปอยู่ในโลกของความคิด เบอร์7จ็ดสิบห้าเกือบจะใช้ได้แล้วใกล้จะตื่นแล้วตนตนฟังไวนะ้นะหนีไปคิดเลยคุณยายสุดจิตสุดใจอะไรยังอยู่ไหมยังอยู่เนาะแก่มา ก, นะ แ, กแล้วสินะเออแก่ละหลวงพ่อชาก็เป็นครูบาอาจารย์ที่ดีที่สุดลงหนึ่งเลยสังเกตให้เดียวคำสอนของหลวงพ่อชานะ นีไม่พ้นเรื่องการดูกายดูใจนี่สุดท้ายมาลงที่ดูใจเรานี่การดูจิตดูใจมันเป็นทางที่รัดสั้นมากครูบาอาจารย์สมัยหนุ่มๆบางง์ก็จะเป็นเน้นที่กายก่อนนะพออายุมากขึ้นมากขึ้นนี่มาสอนแต่เรื่องจิตเรื่องใจสอนเข้าเป้าเลยเพราะว่ากิเลสมันเกิดที่จิตใจนี้กุศลอกุศลสุขทุกข์เกิดที่จิตใจมรรคนิพพานเกิดที่จิตใจ เราใครมารู้กายรู้ใจนะรู้เข้ามาให้ถึงใจจริงๆกิเลสมันจะเคลือบแฝงเข้ามาในใจเราไม่ได้ถ้ารู้ไม่ทันนะกิเลสมันจะแฝงเข้ามาในใจนะใจก็ตกเป็นทาตของกิเลสหาความสุขไม่ได้ไม่มีอะไรเป็นศัตรูของเราเท่ากับกิเลสเลยมันทําใจเราให้เล่าร้อนขึ้นมาแผดเผานะพะพุทธเจ้า ว, ว่ามันเป็นไฟไฟคือราคะไฟคือโทสะไฟคือโมหะโลภขึ้นมารักขึ้นมาก็ทุกข์นะ ทุกข์เพราะความรักโกรธขึ้นมาก็ทุกข์เพราะความโกรธหลงไปนะี่ไม่ค่อยจะรู้ทุกข์กับหลงหลงเผลอเลเพลิน เ, อ, เ, อ, เ, อ, เ อ, อันนี้ดูยากเบอร์สิบเก้าทำอะไรใจหลงเข้าไปอีกละเอาโยมผู้ชายเบอร์เจ็ดสิบสามเมื่อกี้นี้ทำอะไรนึกออกไหมที่หลงไปหลงไปนะมันลืมตัวเอง อ่คอยรู้สึกอยู่ที่ตัวนะอยหลงไปเบอร์สิ้หนีไปคิดแล้วนีไปคิดลค่อยๆสังเกตนะสังเกตไปถ้าเข้าใจสิ่งที่หลวงพ่อพูดแนละ้วการปฏิบัติจะเหลือสั้นนิดเดียวเลย่ลถ้าจะเอาแต่ทำความสงบนะยาวหมู่มั่นก็ว่าแล้วสงบมากเนิ่นช้ายาวช้ามากนะช้าถึงขนาดช้าเป็นหมื่นหมื่นกับก็ได้นะไปเกิดเป็นพระพรหม ชาววัดอําพรวันก็นั่งดูไปนะนั่งดูไปอ้าชาวอะไรนะเสถียรเสถียรทำมาสถานว่ามาอยู่ไหนทำไมหเคยคราวที่แล้วที่มามันก็แข็งๆอะคะ่ะแต่พอมันดูตรงวันแล้วมันก็เหมือนกับเหมือนนกที่มันเป็นอิสระค่ะแล้วก็มันก็มีความสูงมากขึ้นแล้วก็มันก็โชว์ๆขึ้นมาตอนที่ เหมือนกับมอนึกได้อแต่มันไม่เห็นชัดนะคะ ม, มันก็เห็นเป็นก้อนๆมาแล้วก็ไปดูไปงี้เลยใช้ได้อยู่ช่วงนี้จิตใช้ได้หมอตุก๊กสํานักอะไรเนี่ยสํานักนี่หลายสํานักนะวันนี้เยอะแยะว่าไงก็ ม, มีความมัวที่ขันทั้งรูปทั้งนา ม, มใจวันนี้มันสว่างกว่าเมื่อวานนะกายกับใจนะรูปกับนามกับ จ, จิตใจโคลาลัานกัน ร่างกายเจ็บป่วยใจก็ไม่เจ็บป่วยนะกิเลสตัณหาไหลมาไหลไปใจก็อยู่ต่างหากก็ดูไปไงีอ้อ้าวสำนักแปซิฟิกวันนี้รู้สึกตัวเองเผลอสั้นลงนะคะหลวงพ่อแล้วก็รู้สึกตัวได้ไดถี่ขึ้นค่ะก็จะรู้สึกถูกต้องอะค่ะทำได้ถูกต้องแล้วใจมันตื่นขึ้นก็ดีขึ้นแล้วใจมันซึมหน่อยๆด้วยดเอาไหม บ้าไหนบ้างใ น, งนคือเคยได้คุยกับพี่นิดนึงคือจําได้มาครั้งแรกๆแล้วหลวงพ่อทักเพ่งกับเผอเนี่ยถึงได้รู้จักคาว่าตื่นที่ชัดเจนนะคะแต่ช่วงหลังๆนี้สงสัยหลวงพ่อไม่ได้ทักเ <c oughs> ลยไม่แน่ใจว่าจริงๆแล้วตัวเองตื่นชัดเจนหรือเปล่าหรือว่าตื่นยังมีโมหะเครือบๆอยู่ขนณะนี้รู้สึกตื่นชัดยังยังไม่ชัดอยังตื่นไม่เต็มที่น ะ, ะ ใ, นใจเรายังมีอะไรเครือบแฝงอยู่ดวออกไหมค่ะ <c oughs> แล้วก็ตอนแรกๆที่มาเนี่ยไม่ได้แยกตัวผู้รู้ดูใช่ไหมคะตอนหลังเนี่ยพยายามจะแยกผู้รู้แล้วก็ดูกายดูใจ mm hmm. มันก็รู้สึกว่าเออเรากำลังประคองหรือเกรงไว้หรือเปล่าคะเออประคองไว้ก็รู้นะเกรงไว้ก็คอยรู้แล้วถ้าเกิดเรารู้คอยรู้ว่าเราประคองอยู่แล้วมันจะหายไหมคะเออถ้าอยากให้หายยังไม่หายคะนะถ้าสักว่ารู้สักว่าเห็น้็หายค่ะแล้วตอนที่แบบ เดินหรือนั่งสมาธิเนี่ยดูเวทนาไปด้วยแล้วก็ดูกายไปด้วยดูดูจิตไปด้วยไงคะขนาดที่มันจะเกิดดับเร็วๆใช่ไหมคะแต่แต่มันเหมือนเหมือนไปพร้อมๆกันที่นี้พอเราเห็นความคิดแล้ว เ, เห็นอกุศลเกิดขึ้นบางครั้งเราเหมือนเราไปเบรคมันใช่ไหมคะอให้รู้ทันว่าไปเบรกมัน เ, เราไม่ฝึกเบรกน ะ, ะเราไม่ฝึกเบรกเลยไม่ฝึกแก้ไขดัดแปลงเลยเราฝึกรู้ตามความเป็นจริงคือให้ตัวผู้รู้ดูว่าจิตมันจะปรุงแตง่นอะไระต่อไปไง ขันมันจะปรุงไงมีหน้าที่ตามรู้ลูกเดียวเลยไม่เข้าไปเบรกมันแล้วไม่ไปช่วยมันด้วยค่<ฆ>นะไม่ต้องไปช่วยมันไม่ต้องไปเบรกมันไม่ต่อต้านไม่คล้อยตามถึงแม้ว่าเราตอนนั้นเห็นอกุศลจิตเกิดขึ้นมาขณะที่นะเห็นอกุศลจิตจิตเป็นกุศลเรียบร้อยแล้ว<ฆ>นะพระเจ้าบอกว่าจิตเป็นอกุศลรู้ว่าเป็นอกุศลดีหรือว่าดีเขาอ้ยมันยังไม่ตื่นเต็มที่นะดวออกไหม มันมีอะไรห่อพุ่มเคลือบแฝงสิ่งที่เคลือบแฝงมันแววแวด้วยรู้สึกไหมมันเหมือนเซรามิก้วทุบทิ้งให้ได้นะมันไปแกล้งปรุงขึ้นมามันอยากดีมันไปแกล้งปรุงเซรามิกนี้ขึ้นมาให้ดูสวยๆดูออกก็ยังแล้วค่อยรู้ไปนะค่อยเปลือกค่อยแตกไปหรอกอันนี้มันไม่ใช่นะ รู้สึกว่าใจตั้งมั่นได้ดีกว่าเดิมค่ะแต่ว่ามีคําถามค่ะหลวงพ่อเวลานั่งสมาธิอะค่ะชอบเป็นเหมือนมันหายไปอยู่อีกโลกนึงอะค่ะทีนี้มันเมื่อเมื่อคืนนี้เป็นอีกแล้วอะค่ะหายไปพักหนึ่งแต่เมื่อคืนนี้เป็นอีกแล้วตรงนี้จะแก้ยังไงดีคะหายไปไหนอะมันบอกไม่ถูกค่ะแต่ว่าเหมือนรู้สึกตัวก็รู้สึกตัวมาแต่ว่าสักพักหนึ่งมันก็จะเหมือนแบบ ยัง<ม>รู้สึกตัวอยู่ไหมยังมีสติอยู่ไหมก็ได้ยินเสียงอะไรกระทบอะไรเงี้ยนะคะแต่มันเหมือนลงไปลึกๆตีอยู่ใจใจมันรวมลงไปก็เป็นอย่างนั้นแหละปกตินะพอมันถอยขึ้นมาเรามีสติรู้ทันความเปลี่ยนแปลงของจิตไปเลยพอมันตอนถอยขึ้นมานะอย่าไปดึงขึ้นมานะะ ถ, ถ้าอยู่ๆมันรวมเข้าไปแล้วไปดึงขึ้นมาถนะ้าปวดหัวให้เข้าขึ้นมาอีกแต่ว่าดีที่ไม่ขาดสติคนหลายคนทําสมาธินะพอรวมลงไปแล้วขาดสติเลย เหมือนกันนอนหลับอย่างนั้นใช้ไม่ได้อะไปนอนซะดีกว่าฝึกอย่างนี้ใส่เสียทำสมาธิก็ต้องมีสตินะพวกชาววัดป่าเราต้องระวังนะพ่อเคยเห็นมานานสมัยก่อนไปหินมกเป้งสมัยหลวงปู่เทศยังอยู่กลางคืนนะไปนั่งภาวนากันเต็มโบดเลยเปิดเทปหลวงปู่ด้วยก็นั่งกันส่วนใหญ่นั่งแล้วเคลิมอย่าให้เคลิมนะนั่งเคลิมไม่ดี จะฟังธรรมะก็ฟังให้รู้เรื่องจะภาวนาก็ภาวนาให้มีสติเลือกเอาอย่าไปนั่งหลับตอนฟังเทปนั่งเคลิ้มริบหลีริบหลีไม่ดีนะฝึกนิสัยไม่ดีส่วนใหญ่พวกเราเปิดเทปนั่งสมาธิเราจะนั่งให้เคลิ้มไหมได้สองชั่วโมง3าชั่วโมงนะอิ่มงอิ่ ม, มใจ ว, วันนี้ภาวนาดีขาดสติไม่ได้นะขาดสติคือขาดการปฏิบัตินะหลวงปู่มั่นสอนอย่างนี้ มีสติเมื่อไหร่ก็คือมีมีความเพียรเมื่อนั้นขาดสติเมื่อไหร่ขาดความเพียรเมื่อนั้นงั้นเรานั่งฟังเทปครูบาอาจารย์ไปเราก็นั่งรู้สึกไปรู้สึกกายรู้สึกใจดูกายดูใจของเราไปอันนี้หัดเจริญปัญญาไปหรือวันนี้จิตใจเราฟุ้งซ่านเราก็พุโทโธกําหนดลมหายใจอะไรของเราให้จิตใจสงบแต่ไม่ให้ขาดสติไม่ให้เผลอตัวอย่าไปฝึกสมาธิเผลอตัวเองนะลืมเพิ่เหมือนหลับในอย่างนั้นไม่เอาเลย ฝึกไม่ดีย่างนั้นฝึกนิสัยเสียอ่ะไงอีกพ่อสรุปว่าลินไม่ต้องทําอะไรใช่ไหมคะหมายถึงแต่จิตยังตื่นไม่เต็มที่นะตอนเนี้ดยดูออกไหมแต่ก็ดีกว่าดีกว่าสงบกว่าสว่างกว่าใช่ไหมสบายกว่าเบากว่าคแต่ไม่เต็มที่ดูออกไหมยังไม่เต็มที่นะใจมันยังไม่ถึงฐานเต็มที่ของมันนี่ก็ ผมรู้สึกตัวรู้สึกเลยว่ารู้สึกตัวได้ได้น้อยน้อยลงดูจิตใจหลงคิดกับกับเหตุการณ์ที่เจอมันอาจจะเวลาทุกครั้งบางครั้งเรามีความสุขเราอาจจะลืมที่จะรู้สึกตัวพะบางครั้งเรารู้สึกว่ามันทุกเราก็จะจิตเราก็จะหลงหลงกับปัญหารู้สึกทุกข์กับสิ่งที่มันเจอครับก็ก็ยังพยายามที่จะรู้สึกตัวอยู่บางครั้งที่รู้สึกตัวได้ ก็จะรู้สึกว่ามันดูงงงดูมันว่างเปล่าครับก็ไม่ยากนะมาที่นี่ให้บ่อยๆหน่อยเียมันก็รู้สึกเองแหละครับผมห่างครูบาจารย์นะค่อยรีบรีบรีไปพวกเราภาวนาตอนนี้นะมันเหมือนดาวพระเคราะห์ยังไม่ใช่ดาวฤกษ์ยังเป็นดาวเคราะห์นะเอาวิ่งห่างดวงอาทิตย์ออกไปนะก็แสงซีดลงซิ้นลงนะ แต่ต่อไปภาวนามากๆก็เหมือนดาวเร่กนะสว่างในตัวเองมันเป็นอย่างนั้นแหละอยู่กับโลกอัา ด, ดูไปเรื่อยๆดีแล้วละ่ะแต่ว่าหลักของการปฏิบัติน่ะแม่นขึ้นเยอะแล้วเห็นไหมหจิตใจดิ้นรนน้อยลงดิ้นรนที่จะปฏิบัติน้อยลงแต่อย่าปล่อยให้เฉ่อยใจที่ดิ้นรนอยากปฏิบัตินะภาวนาไม่เป็นหรอก ใจที่หมดความดิ้นรนรู้กายรู้ใจอย่างนั้นะอย่งภาวนาเป็นโอเคเก๋เห็นแบบจิตใจมันทำงานตลอดเวลาค่ะ ม, มันว่าไปแบบมาจนบางทีก็ไม่ไม่มีคำพูดไม่มีคำก็จะรู้ว่าในในในการใช้ชีวิตจริงๆอะค่ะพอถึงช่วงหนึ่งอะคุกคลีน้อยอะจะจะทำให้เราจเจริญได้ ได้ชัดกว่าหรือจร<ด>ิี<ด>เห็นชัดกว่าครูเจ้าสอนไม่ให้ครุกครีก็ัง<อ> เ, เกตดไหมยังมาวัดหลวงพ่อไม่ให้พูดเรื่องอื่นเลยรู้สึกไหม<อ>ถ้าไปวัดอื่นพูดเรื่องอื่นได้นะ<อ>ไปสมกันจุกจิกจุกจิกว่าคนโน้นว่าคนนี้นินทากันอะไรเงี้ยนะแต่มาที่นี่หลวงพ่อไม่ให้คุยกันคุยเรื่องอื่นนะฝุ่กขัดคุยคนเดียวไม่ให้คนอื่นคุยคุยมากฟุ้งซ่านยิ่งพวกหมานอนวัดเนี่ยนะไม่ให้มานั่งคุยกันนะ สงสันภาวนาวที่ทำอยู่ดีแล้วใช้ได้โอเคชมพูเป็นไงคราวที่แล้วมาแล้วพอกลับไปมันเหมือนมันทึ้งเขิมมากสิค่ะก็แบบภาวนาด้วยความรู้สึกเหมือนที่หลวงพ่อเคยบอกว่ามันสะใจมาก ม, มันก็เห็นแบบเห็นว่าจริงๆแล้วจิตเราไม่เคยเป็นกลางเลย ม, มัน กระทบแล้วมันก็มันกระทบแล้วมันก็กระเทือนแล้วมันก็ยินดีร้ายยินดีเลยแล้วเราก็รู้ตรงเนี้ยนะคะรู้ไปเรื่อยรู้ไปเพื่อให้เห็นว่ามันไม่ใช่เราหรอกมันทํางานของมันเองนะมันจะกระทบทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันก็เลือกกระทบของมันเองเราเลือกไม่ได้กระทบแล้วจะยินดีหรือยินร้ายเราก็เลือกไม่ได้นะเนี่ยตามดูไปมันก็เหมือนกับมันมีเหตุแล้วมันมันก็เกิดมันพอมัน มันถูกกระทบมันก็เกิดแบบนี้แบบนี้แล้วมันก็เหมือนเห็นไม่ใช่เราเหรเจ้าค่ะแล้วมันก็เห็นว่าจิตใจจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นสิ่งที่อ่อนแอมากอมันหนีทุกตลอดเวลามันดิ้นดิ้นดินดินหนีทุกตลอดเวลาเออมันดิ้นหนีทุกมันดิ้นหาความสุขมันถึงต้องทํางานถ้าเมื่อไร่มันไม่ดิ้นหนีทุกไม่ดิ้นหาความสุขนะมันก็ไม่ทํางานนี่ทําไมมันถึงต้องดิ้นหนีทุกดิ้นหาความสุข เพราะมันสำคัญมั่นหมายว่ามันคือตัวเราดงนนรากเหง้าของปัญหาทั้งหมดคืออวิชชาเราไม่รู้ความจริงจิตใจนี้ไม่ใช่ตัวเราเหรอกเราไปสําคัญมั่นหมายว่าเป็นตัวเราขึ้นมาไปยึดถือว่าเป็นตัวเราขึ้นม า, า, ากม็อยากให้มันสุขอยากให้มันพ้นทุกข์ก็พามันดิ้นไปด้วยยิย่งดิ้นยิงย่งทุกข์ยิ่งทุกข์ก็ยิ่งดิ้นนะสัตว์ในโลกข้องอยู่ตรงนี้เองยิ่งดิ้นเรายิ่งทุกข์ยิ่งทุกข์ยิ่งดิ้นนะส่วนมากก็ดิ้นไปหาความสุขทางโลกโลก ตอบสนองกิเลสแล้วรู้สึกจะมีความสุขแต่พอได้มานะก็ไม่สะใจต้องดิน้นหรือพวกเข้าวัดเข้าวา่าฝึกทําความสงบ เ, เพื่อตอบสนองกิเลสตัวนี้แหละเพื่อเราจะได้มีความสุขหรืออุตสาเข้าวัดภาวนาก็เพื่อให้เรามีความสุขไม่สามารถละความเห็นผิดว่าจิตเป็นเราได้ไม่สามารถละความยึดถือในตัวจิตได้ดังนั้นการปฏิบัติจะเป็นแค่รูปๆคลำๆไปเรื่อยๆแหละไม่เข้าเป้าเสียทีถ้าไม่เข้ามาที่จิตนะไม่ได้เป้าหรอก โลภุเทศถึงขนาดสอนนะบอกว่าถ้าภาวนาเข้าถึงจิตถึงใจถึงจะได้แก่นสารของการปฏิบัติถ้าภาวนาไม่ถึงจิตถึงใจตัวเองนะรู้ไม่เท่าทันจิตใจตัวเองนะยังอยู่ผิวผิวนะเปลือกเปลือกปฏิบัติรู ป, ป, ปรูปคลำคลำไปเรื่อยแหลนะเช่นทํายังไงจิตจะสงบนะวันนี้ทําสงบเนี่ยพรุ่งนี้ฟุ้งอีกมาทําอีกลืมนึกไปว่าทําไมต้องให้จิตสงบจิตสงบเพรารักตัวเองนัแหละเพราะว่ายึดถือว่าจิตคือตัวเราอยากให้มันดี นี่เป็นวิธีของคนดีนะวิธีของคนชั่วก็วิ่งหาอารมณ์ภายนอกวิธีของคนดีก็คือมาสัมรวมจิตสัมรวมใจเข้ามาส่วนวิธีที่พระพุทธเจ้าค้นพบนะหันหน้ามาเรียนรู้จิตใจตัวเองรู้ลงมาในกายรู้ลงมาในใจนะเพลิกกายออกไปแล้วก็ไปถึงจิตถึงใจบางคนดูเข้าที่จิตได้เลยก็ดูบางคนดูเข้ามาที่จิตไม่ได้ดูกายไปก่อนกายเป็นบ้านของจิตมันนึ่งรื้อบ้านออกไปนะเห็นเจ้าของบ้าน มาเห็นถึงตัวจิตตัวใจรู้เลยโอ้ตัวนี้เองดิ้นรนแส้สายหาความทุกข์ตลอดเวลาทําไมดิ้นรนแส้สาหาความทุกข์มาใส่ตัวเองเพราะมันอยากมีความสุขนะแต่มันมีความสุขอยากด้วยวิธีที่โง่โง่แต่เกียรต์ตะกายหาความสุขเข้าไปแต่ว่าได้มาคือความทุกข์พระเจ้าสอนเราเข้ามาดูจนเห็นความจริงเลยกายนี้ใจนี้ไม่ใช่ตัวเรานะดูเข้ามาตัวนี้นะถึงจะตัดการดิ้นรนนี้ขาดออกไปได้ในวันหนึ่ง จิตใจต้องทำงานทั้งวันทั้งคืนหาความสุขไม่ได้เลยตลอดชีวิตเชิญไปทานข้าวไปหมดเวลาเดี๋ยวค่อยถามต่อ